สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดําเนินรายการมรดกไทยนะครับพร้อมแล้วที่จะทําหน้าที่เลือกสรรสาระแล้วก็เสียงเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่ได้พบกันผมจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังสบายดีไหมครับแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้มีฝนตกแล้วก็อากาศร้อนสลับสลับเปลี่ยนกันไป บางทีก็อาจจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับในส่วนของผมวันนี้ก็ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของสาระแล้วก็เสียงเพลงนะครับรายการมรดกไทยเราพบกันที่นี่นะครับ FM 89.5 MHz เมสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต วันนี้เรามีเรื่องที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแล้วก็สาระที่น่าสนใจนะครับครูฟังครับในช่วงมรดกเพลงไทยวันนี้ผมจะนําเสนอเพลงการประวัติาสตร์ครูฟังจะได้รับทราบเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับความหมายของคําว่าการประวัติาสรนะครับมาดูในช่วงมรดกวิถีไทยครับครูฟังครับงานวัดยังเป็นความบันเทิงที่ อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานนะครับอยู่ไปแบบช Mueller, ั่วก า, ารประวัติศาสตร์เหมือนกันวันนี้นําเสนอเรื่องราวของงานวัดในอดีตครับมาถึงช่วงที่3มมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับถ้างานวัดของเรายังอยู่ขนมไทยโบราณก็จะต้องอถูกนํามาขายในงานวัดนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรของขนมทรายแล้วก็ขนมกงขนมไทยโบราณที่อร่อยแล้วก็หาทานยาก แต่ว่ายังมีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยได้ภาคภูมิใจกันเสมอมานะครับมาถึงในช่วงที่4มีมรดกทางภาษานะครับเรายังอยู่เรื่องราวของงานวัดเรื่องราวของขนมดังนั้นวันนี้จะเสนอในช่วงมรดกทางภาษาคําว่าสาธุนะครับสาธุมีการใช้อย่างไรมีข้อห้ามและข้อระมัดระวังอย่างไรเดี๋ยววันนี้ ผมจะเล่าให้คุณฟังได้อาับทราบนะครับและทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่จะนำเสนอทั้งสาระและก็เสียงเพลงมาฝากคุณฟังดังนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบในแต่ละช่วงนะครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ผู้ฟังครับช่วงที่หนึ่งมรดกเพลงไทยวันนี้ผมนําเสนอเพลงกาลปวสาสนซึ่งเพลงนี้เขียนคําร้องโดยคุณเขตอรันเลิศพิพัฒน์ทำนองโดยคุณอนุวัตรสืบสวุวรรณเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณจรุวัฒน์ขันธวุฒินะครับก่อนอื่นที่จะฟังเพลงนี้มาทราบเรื่องราวของคําว่ากาลปวสาสน ผมไปค้นข้อมูลมานะครับคำว่าการอวสานประกอบด้วยคำว่ากันกับคาว่าอาวสานกับหรือกันก็จะหมายถึงระยะเวลาของโลกอวสานแปลว่าจบหรือสิ้นสุดนะครับระยะเวลาของโลกก็คือระยะเวลาตั้งแต่โลกเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดไฟประไลกกันซึ่งไฟนี้ก็จะไหม้โลกหมดเรียกว่าหนึ่งกันหรือหนึ่งกังกบ ช่วกาลรประวัารก็จะหมายถึงระยะเวลาที่นานมากซึ่งคำนี้นะครับก็มักใช้ในการเปรียบเทียบเมื่อต้องการกล่าวถึงเวลาที่นานแสนนานซึ่งในคาประพันธ์หรือในบทเพลงนะครับก็ใช้กันอยู่บ่อยเช่นคำว่าชั่วกับชั่วกันคำว่ากับและคำว่ากันเป็นกำหนดระยะเวลาของอายุโลกนะครับคุณผู้ฟังคือระยะเวลาตั้งแต่สร้างโลก จนถึงเกิดไฟบระไลการไหม้โลกอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรียกหนึ่งกันหรือหนึ่งกับซึ่งหนึ่งกับนั้นท่านนับด้วยการเปรียบเทียบว่าอันนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถ้ามีที่แห่งหนึ่งกว้าง1โยธยาว1โยธมีกำแพงโดยรอบสูง1โยธเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาด บรรจุไว้ให้เต็ม100ปีแล้วเอาเมล็ดผักกาดออกไป1เมล็ดเมล็ดผักกาดหมดจากที่นั่นเมื่อไหร่นั่นเท่ากับว่าเวลา1กลับแล้วก็เวลา1กลับจึงเป็นเวลาที่นานเกินจะนับได้ชั่วกับชั่วกันดังนั้นชั่วกับชั่วกันก็จะหมายถึงตลอดเวลา1ชั่วกับก็คือเวลา1ชั่วของโลก1โลกเป็นเวลาที่ นานมากเช่นมีคำพูดพูดว่าคนกองชาติอย่างนี้ขอให้ตกนรกชั่วกับชั่วกันคํานี้คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินนะครับสําหรับในเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่าจะรักกันได้นานสักแค่ไหนโดยมีเนื้อเพลงได้บอกว่ากา ร, รประวัติศาสตร์นานเพียงใดมีใครบ้างไหมพอตอบได้ฉันเคยเห็นคํานี้ในนิยาย ไม่นึกว่าจะกลายมาเป็นความจริงเธอถามว่าใครรักใครมากกว่าใครที่รักฉันไม่เคยเปลี่ยนใจตัวเธอเองนั้นรักใครรักฉันได้ไหมจวบจนกาลประวัติศาสตร์ก็เป็นเพลงที่สอบถามเรื่องราวของความรักนะครับคุณูฟังครับวันนี้ผมภาคุ่มใจที่จะนาเสนอเพลงนี้เพลง การปวสารผลงานการขับร้องของคุณสุรสีอิทธิกุลขอเชิญรับฟังครับเธอถามวโลกรอยอยู่ได้อย่างไรเมฆฝนนั้นมาจากไหนท้องฟ้านั้นอยู่สูงเพียงใดอีก้านไหมจะถึงการปาวสาร ไม่สา 把สา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 วันนี้ในช่วงของมรดกวิถีไทยจะพูดถึงกิจกรรมในอดีต ท, ที่เกิดขึ้นในงานวัดซึ่งปัจจุบันก็ยังพอมีหลงเหลือบ้างไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจัดงานรำลึกถึงงานวัดสมัยก่อนก็น่าจะมีกิจกรรมที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นำไปบรรจุไว้นะครับเอาละครับผมจะถามคุณผู้ฟังว่ามีใครไปเที่ยวงานวัดบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ผมเชื่อแน่ว่าเมื่อมีคนถามแบบนี้ทุกคนก็จะตอบว่าเคยไปเที่ยวงานวัดทั้งสิ้นนะครับงานวัดในความทรงจําของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยถ้ามีงานวัดก็จะนึกถึงการสอยดาวการดูหนังกลางแปลงแล้วก็การซื้อขนมการซื้อผัดไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้งานวัดที่ย้อนยุคแบบนั้นก็หาดูยากแล้วนะครับ คุณฟังครับงานวัดเนี่ยจัดเป็นศูนย์รวมของความบันเทิงกลางแจ้งขนาดใหญ่แล้วก็มักจะถูกจัดขึ้นส่วนมากนะครับจะเป็นในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าอากาศเย็นสบายแต่ว่าเดี๋ยวนี้งานวัดก็จัดในเทศกาลสําคัญๆเช่นสงกรานก็มีปีใหม่ก็มีนะครับแล้วการจัดงานวัดบางวัดเนี่ย เฉลิมฉลอง5าวัน7ดวันด้วยกันดูแล้วก็สนุกสนานทีเดียวดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะเห็นว่าเป็นสีสันของงานวัดก็คือชิงช้าสวรรค์นะครับเขาบอกว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยเป็นพระเอกของงานที่เรียกว่าไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนตามที่มีการลื่นเริงนะครับตามงานวัดก็จะมีชิงช้าสวรรค์ที่ให้เด็กๆได้ไปนั่งผู้ใหญ่เองก็นั่งได้นะครับแล้วก็เป็นสีสันที่ดีด้วยครับ นอกจากชิงช้าสวรรค์แล้วก็จะมีม้าหมุนนะครับเครื่องเล่นที่เด็กๆ ก, ก็อยากจะให้ผู้ปกครองพาไปนั่งแล้วก็มีเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีม้าโยกเป็นสีสันที่น่าสนใจจุเดียวนะครับต่อมาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายจุเดียวนะครับถ้าเดินไปเที่ยวงานแล้วก็หิวในงานวัดเนี่ยก็จะมีของกินโบราณยกตัวอย่างเช่นผัดไทยอร่อยๆมีหอยทอด ขนมจีนน้ำยามีก๋วยเตี๋ยวมีขนมเบื้องยวนนะครับพูดแล้วก็น้ำลายไหลทีเดียวแล้วก็เราสามารถที่จะหาอาหารประเภทนี้รับประทานได้ตามงานวัดทั่วไปแล้วก็จะมีอาหารอื่นๆนะครับยกตัวอย่างที่ที่เวลาผมไปงานวัดก็จะชอบมากก็คือผัดไทยแล้วก็มีไอติมนะครับไอติมโบราณอย่างนี้ที่ว่าดีมากทีเดียว ถ้าอยากกินขนมนะครับส่วนมากขนมและของหวานที่ขายตามวัดทั่วไปนะครับก็จะมีซุ้มขายขนมนะครับก็อาจจะเป็นตั้งแต่ขนมถังแตกคุณผู้ฟังรู้จักไหมครับขนมถังแตกขนมเบื้องไทยแล้วก็มีโอโรตีสายใหม่ก็มีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้ามีขนมเรียบร้อยแล้วก็ต้องพาคุณผู้ฟังไปดูหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงนี่แหละ ถือว่าเป็นสเสน่อย่างหนึ่งของงานวัดทีเดียวเรียกว่าได้ยินทั้งเสียงเพลงมีจอผ้าสีขาวๆ ข, ขนาดใหญ่นะครับก็มีการประกาศอยู่ว่าวันนี้จะใช้หนังกี่เรื่องถ้า3มเรื่องขึ้นไปก็เลิกดึกนิดหนึ่งบางที่นะครับบางวัดก็มีการจัดฉายหนังตั้งแต่วขวค่ำยันเช้าเรียกว่าจนมองไม่เห็นตัวหนังนั่นแหละถึงจะเลิกทีเดียวก็ถือว่าเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่ง แต่เสียได้นะครับในปัจจุบันนี้เรามีโรงภาพยนตร์เรามีโทรทัศน์เรามีมือถือมีแท็บเล็ตเราดูสิ่งเหล่านี้ผ่านคอนเทนต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นหนังกลางแปลงก็ดูจะซบเซาแล้วก็โรยราไปตามวัยตามอายุนะครับเอาละครับจากหนังกลางแปลงนะครับบางที่ก็อาจจะมีเมียงูนะครับก็เป็นการแสดง เรียกว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเมีย ง, งูก็อยากจะรู้ว่าเมียงงูเป็นยังไงเพราะว่าโฆษกประจํางานก็จะโฆษณาเรื่องราวที่พิลึกพิลั่นมากมายทีเดียวนะครับผมเองเคยไปดูเมียงงูในงานวัดก็อยากจะรู้ว่าเมียงงูเนี่ยเขาเป็นเมียของงูจริงหรือเปล่ามีงูกี่ตัวมีการแสดงจับงูโอ้สารพัดนะครับเรียกว่านั่งนิ่งเกรง นะครับในค ว, วามเป็นเด็กตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับหาดูยากซะแล้วต่อไปนะครับกิจกรรมอีกอันนึงที่จําได้ก็คือสาวน้อยตกน้ํานะครับก็จะมีการป่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้แล้วก็จะมีสาวน้อยนั่งอยู่ที่ถังแล้วก็เขาก็จะให้เป็นลักษณะรูป ก, กลมๆให้เราป่าถ้าป่าโดนแป้นเนี่ยสาวน้อยก็จะตกน้ําไปก็ดูเป็นที่สนุกสนานนะครับ ของรางวัลก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ก็สนุกดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หาดูยากมากๆแล้วนะครับแต่ก็ได้ข่าวว่าบางหน่วยงานก็จัดงานวัดย้อนยุคแบบนี้แหละเพื่อหวนรำลึกถึงความทรงจำนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราไปเที่ยวงานวัดแล้วไปไหว้พระขอพอรแล้วก็อย่าลืมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ย นำมาปฏิบัติใช้นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตนะครับชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดนะครับตืนนคี้ ช่อยมาฉันมองไปที่ขอบฟ้านิน น, นหน้าต่างห้องนอนเปิดตอนรับแสงพระจันทร์แสงเดือนกำลังประฉันแสงดาวก่อนหลับคืนนี้ใจฉันขอไปเจอ เธอที่บนฝากฟ้ า, ฟาพร่างพร้าจะนอนหลับไหลในอ้อมแขนของดวงดาวให้เงาราตรีอบล้อมหัวใจไม่รู้คำคืนนี้เมื่อเธออยู่ตรง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 นขนมขี้หนูขนมทรายก็ได้หรือบางคนเรียกว่าขนมละอองฟ้าก็ได้สําหรับผมเนี่ยคุ้นเคยกับ2ชื่อคือขนมขี้หนูกับขนมทรายเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมแล้วก็หลายคนในสมัยก่อนก็รู้จักกันดีแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับขนมชนิดนี้แล้วนะครับขนมขี้หนูมีชื่อเรียกหลายชื่อบางคนก็เรียกว่าขนมละอองฟ้าหรือขนมทราย ก็จัดว่าเป็นขนมไทยที่มีขั้นตอนในการทําที่ไม่ยุ่งยากนะครับพูดอีกครั้งหนึงคือทําง่ายรับประทานง่ายด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัวขนมนะครับความหอมฟูนุ่มของเนื้อแป้งจึงเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยชอบแล้วก็มาลองทําดูไหมครับสําหรับส่วนผสมแจ้งคร่าวๆไว้ตรงนี้นะครับวัตถุดิบที่ใช้ทําก็มี1แป้งข้าวเจ้าสีถ้วย น้ำลอยดอกมะลิ6ถ้วยครึ่งนะครับคงจะเพิ่มความหอมน้ำตาล้ายขาว5ถ้วยด้วยกันแล้วก็มะพร้าวทึนทึกแสดงว่าต้องเป็นมะพร้าวแก่ๆพอสมควรเขาบอกว่าขูดฝอยแล้วก็โรยด้วยเกลือนึ่งสัก 3-5 นาทีนะครับก็คือเอาเกลือไปคลุกกับมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีเกลือป่นสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีหมอ้อมีชามผสมแล้วก็มีที่นึ่งวิธีการทําขนมนะครับคุณผู้ฟังต้อ ง, ต, องตั้งใจฟังนิดนึงผมว่าผมทําอาหารทาขนมไม่เก่งแต่พยายามจะเล่าให้ฟังนะครับวิธีทําขนมขี้หนูนะครับขั้นตอนที่1 ห, หมอ้อใส่น้ําตาลทรายแล้วก็มีน้ําลอยดอกมะลิตั้งไฟพอให้เดือดต่อไปผมจะมาเล่า ว, วิธีการทําขนมขี้หนูนะครับข้อแรกก็คือเอาหมอ้อใส่น้ําตาลทราย นำน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยนะครับไปตั้งไฟพอให้เดือดแล้วก็พอน้ำตาลทรายละลายแล้วใช่ไหมครับก็ยกลงมาไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปหยอดใส่แป้งทีละเล็กทีละน้อยจนแป้งอิ่มน้ำนะครับแป้งจะดูชื้นๆนิดนึงหลังจากนั้นนะครับข้อสองนำแป้งที่อิ่มน้ำนั้นใส่ที่ร่อนแป้งแบบละเอียดใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ย ช่วยรวนตัวแป้งให้ผ่านตกลงไปใส่รังถึงที่ปูด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็นําไปนึ่งในรังถึงที่เราตั้งไฟให้น้ําเดือดประมาณสัก 40-45 นาทีก็บอกว่าคอยดูอย่าให้น้ําในรังถึงเนี่ยมันแห้งข้อที่3ใช้ทัพพีตักแป้งที่นึ่งแล้วก็ที่สุกแล้วเนี่ยใส่ถาดตักน้ําเชื่อมใส่ลงไป เขาบอกว่าถ้าจะผสมสีให้หยอดสีใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเล็กน้อยคลา้าให้เข้ากันดูให้แป้งดูดน้ำเชื่อมจนอิ่มตัวใส่พักไว้ในถาดให้แป้งเนะี่ยแห้งตัวประมาณสัก10ถึง15นาทีใช้ช้อนซ่อมขูดนะครับแล้วก็เขี่ยบเบาๆจนแป้งกระจายนะครับเนื้อก็จะดูฟูแล้วก็ละเอียดสำหรับมาถึงข้อสีเวลารับประทานนะครับเราก็ต้องโรยด้วย มะพร้าวทึ่นทึกที่เราขูดเอาไว้เท่านี้เราก็จะได้ขนมขี้หนูที่แสนอร่อยแต่ข้อสําคัญก็คือถ้าทําไม่เป็นก็ลองไปหาซื้อทานตามตลาดตามที่ต่างๆก็คิดว่ายังมีคนทําขายอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงขนมโกงหรือว่าขนมชมดงาดํานะครับก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเขาบอกว่าขนมโกงขนมชมดงาดำเนี่ย เป็นขนมโบราณที่ทำมาจากสมุนไพรซึ่งเป็นของคู่กันในงานพิธีมงคลแล้วก็มีมานาดแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นในเอกสารหอหลวงตั้งแต่สมัยอยุทยานะครับได้บอกว่าชาวบ้านนั้นทำขนมขายแล้วก็นั่งร้านขายขนมชมพูงาดำขนมกงเกวียนนะครับแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมาย รูปร่างที่เป็นล้อกเกวียนนะครับสมชื่อสำหรับของคนไทยขนมกงหรือว่าขนมชมดงาดำก็จะได้รับความนิยมแพร่หลายมากแล้วก็จะมีมากเป็นพิเศษในแถวภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบจังหวัดปทุมธานีอายุทยาอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าขนมกงเนี่ยเป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานในฐานะ ขนมที่ใส่ไปในขันหมากนะครับนอกจากขนมกงวงเล็กที่ทำกินกันตามปกติแล้วก็ยังมีขนมกงขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นในโอกาสพิเศษอย่างงานแต่งงานงานเทศกาลออกพรรษางานเทศมหาชาติสำหรับขนมกงหรือว่าขนมชมดงาดำซึ่งคนโบราณเชื่อว่าจะทำให้คู่บ่าวสาวนั้นมีใจคอหนักแน่นแล้วก็คลองรักกันตลอดไป ก็เปรียบเสมือนกลงล้อของเกวียนที่หมุนไปเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนในงานม่านงานแต่งก็จะใช้ขนมกงควบคู่กับขนมชมดงาดําหรือขนมสำเกลนะครับปัจจุบันขนมสำเกลอก็เสื่อมความนิยมไปแล้วซึ่งน่าเสียดายมากคงเหลือแต่ขนมกงกับขนมชมดงาดําที่คนไทยภาคกลางยังนิยมใช้เป็นขนมสําหรับงานแต่งงานนะครับดังนั้น ในแถบจังหวัดอายุธยาปทุมธานีอ่างทองก็ยังมีแม่ค้าทำขนมกงนะครับออกมาขายในเดือนที่เขามิยมการแต่งงานซึ่งถ้าดูแล้วนะครับวันนี้จะมีคนที่ทำขนมกงหรือว่าขนมชมดงาดาที่อร่อยและเป็นต้นตำรับแท้ๆเนี่ยค่อนข้างจะหายากทีเดียวนะครับและนี่คือเรื่องราวของขนมไทยที่ ผมคิดว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรจะอนุรักษ์สืบทอดเอาไว้ปัจจุบันนี้เรามีขนมต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยมากมายอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้ลูกหลานไทยหันมาสนใจบริโภคขนมไทยซึ่งเราก็มีขนมไทยประเภทต่างๆให้เลือกรับประทานมากมายทีเดียวนะครับ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 w w w r a d i o r m u t t a c t h โทร 026917738-9 ฟังครับวันนี้แต่ละช่วงของรายการมรดกไทยก็ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงมรดกทางภาษาผมก็จะทำให้สั้นลงเพราะว่าเดี๋ยวเกินเวลาของรายการนะครับวันนี้ผมจะเสนอคำว่าสาธุนอกจากเป็นคำที่พระสงฆ์ใช้เพื่อแสดงการรับรองมติที่ประชุมสงนะครับแล้วก็คำที่อุบาสกบาศิกาได้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือ ยอมรับแล้วนะครับก็ยังใช้ขึ้นต้นหรือลงท้ายคำอธิษฐานเช่นสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งที่ดีงามในปีใหม่นี้ขอให้คนที่ทำชั่วจงแพ้ภัยตนเองเร็วเถิดสาธุอันนี้คุณฟังคุณเคยนะครับคำว่าสาธุอาจจะใช้เป็นคำประชดเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งพูดสอนให้ยึดมั่นในศีลธรรม หรือทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามฟังดูคล้ายกับพระเจ้เทสคนฟังก็จะเปล่งคําสาธุอันนี้ต้องสนิทกันนะไม่งั้นคนเขาโกรธเอาเพื่อล้อเลียนนะครับเช่นพอรุ่นพี่บน่นรุ่นน้องซสยืดยาวนะครับเรื่องใช้ของฟุ่มเฟือยทําให้อ่ามีเงินทองพร่องมือไปนะครับรุ่นน้องก็จะพากันพนมมือเราก็ร้องว่าสาธุนะครับ คำว่าสาธุใช้ประสมกับคําอื่นอีกหลายคําดังปรากฏในคําว่าสาธุชนสาธุการสาัุศัพท์สาตุ์ขุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทราบที่มาของความหมายแล้วต่อไปเมื่อกล่าวถึงคําว่าสาตุชนนะครับสาตุชนเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับอ่านว่าสาธุชนะก็แปลว่า คนดีคนที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะกลุ่ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาสาธุชนก็หมายถึงคนดีได้แก่คนที่รักษาสินห้าหรือสิน8ปอย่างเคร่งครัดคนที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาฝักไฝในการฟังธรรมประกอบกุศลธรรมละทิ้งกรรมอันเป็นอกุศลแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญามีเหตุผล เราก็วิจารณญาณเช่นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรประพฤติตนเป็นสาธุชนไม่โลภละตัณหาอยากมีอยากเป็นไม่สิ้นสุดเพื่อทำให้สังคมเป็นสุขที่จะสงบสุขได้สาธุชนทั้งหลายพึงฟังธรรมและหมั่นสนทนาธรรมกับภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เนืองเนืองและทั้งหมดนี้ก็เป็นคำที่ เราเคยได้ยินแล้วก็เป็นสิ่งใกล้ตัวนะครับความดีเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมให้ทําอยู่ตลอดดังนั้นอยากให้ทุกคนเป็นสาธุชนที่ดีเมื่อเป็นสาธุชนที่ดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะครับ ใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้ท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 รับฟังออนไลน์ที่ทาง www. radio. rmutt. ac. th โทร 026917738-9 คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ เวลาของรายการมรดกไทยซึ่งรู้สึกว่าจะเดินไวมากนะครับได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสาระและบันเทิงที่ตั้งใจนํามาฝากคุณผู้ฟังจะทําให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบรายการนี้ก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ FM 89.5 m มแป สามารถฟังออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสย้อนหลังด้วยผ่านทางช่องทางต่างๆมากมายทีเดียวแล้ววันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะต้องห่าเงเหินไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่คนใดหัวใจก็ยังมีคนดูแลอาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่เกิดวันไว้ไปตามระษาคนไกลกัน เรายังมีใจกันไว้ไม่วาดวันจะไม่เลือดวงใจที่คิดเพื่อใครสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอหากเปลาเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลแลรักษาดวงใจเก็บเอาไวจ้จนวันที่ฉันคิด ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะต้องห่างกันไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่้นใดหัวใจก็ยังมีคน อาจจะมีบางคราวงเราพบใครใหม่เกิดวันไว้ไปตามระษาคนไกลกันแต่เรายังมีใจเป็นไว้ไม่วาดวันจะไม่เหลือดวงใจที่คิดเพื่อใครสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอ าเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงขงงเธอ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 19.5 สิเมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีต้องอยู่กันไปอีกนานในบ้าน ก็เพราะมที่ให้อาศัย